สบายขนายนสบายนะเราทุกคน <c oughs> ที่มาวัดโดยเฉพาะนักบวชต่างหน้ามาเพื่อปฏิบัติไม่ใช่มาเที่ยวมาดูมาเล่นกิจการงานต่างๆสิ่งทางโลกเขาทำ เนีย่ยรัฐ บ, บาลเองเขาก็ไม่ได้เอาผิดเอาถูกอะไรกับนักบวชมีการงานอะไรเกิดขึ้นเขาก็ไม่บังคับบัญชาให้นักบวชไปทำเพื่อจะให้นักบวชสะดวกในการสำเรตจปฏิบัติเพื่อจะได้เป็นนะ <c oughs> แนะนำสั่งสอนคนอื่นสอไปโดยจะเป็นแบบแผนประเท尼อันดีงามส่วนคนอื่นเชื่อเหลื่อมใส ในสภาพพิกายสภาพใจตามนักบวชคือเรื่องนักบวชมาบวชแล้วดีดามานดาคณะญาติก็อนุมโมทนาว่านักบวชนั้นท่านจะไปดีมีสุขไปประพฤพิายประพฤพิสายจเผื่พิจิตของท่านในทางอัตทางธรรมท่านจะมีความสงบมีความสุข ยินดียินเย่างแจ่มใสพอใจในผู้บวชโดยมากทุกๆุกแทบทุกคนไปที่เต็มใจอยากจะให้นักบวชนั้นมีความสุขความสบายและเห็นนักบวชก็เย็นใจเหมือนเห็นโจรเห็นมารเพราะนักบวชมีจริยามารายาคิดจาก คนธรรมดาระวังรักษาสังวรกายใจของท่านนี่คือนักบวชที่คนภายนอกมองดูว่าเป็นผู้เพื่อปฏิบัติแต่เรามาบวชแล้วเป็นอย่างไรจะตุ่งตรวจตาที่เจรินากายใจของเรา ไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่เกิดคุณค่าสาระอะไรให้ยัง จ, จะบวชทางกายใจใจสายแสบไปตามกระแสของโลกของกิเลสตัณหาบวชแบบนั้นไม่เกิดคุณค่าไม่ยังศาสนาให้เจริญตัวของตัวเองก็ทุกข์ลำบากเพราะอยู่ได้ในวัดตั้งแต่กาย จิตใจสายแสไปตามกระแสะของโลกผลที่สุดก็ระเบิดอยู่ไม่ได้ทนไม่ไหวเพราะใจมันปรุงคิดออกไปข้างนอกฉังนั้นนักบวชจิงจะต้องตรวจตาจิจารยนากายใจของตัวการทำการพูดการคิดอะไรถึงเป็นภัยอันตราย ในศีในธรรมจะต้องสังวรระวังเอาไว้และสอนจิตสอนใจของตัวคนที่ได้มาบวชเป็นคนที่มีโชคลาบอันใหญ่หลวงไม่ใช่คนหาง่ายคนที่ลุ่มหลงอยู่ในโลกจะงวนมากใมีโอกาสเวลาที่จะมาปฏิบัติรักษากายวาใจใจของตัวเพราะยุ่งเกี่ยว กับหน้าที่การงานต่างๆถึง ท, งทางโลกเขาทำกันไม่ทำก็ไม่ได้จะไปหลับหูบหลับตาภาวานาทายเดียวคนที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยเขาก็จะคู่เอาด่าเอาทำไมมาทำแบบนี้ขอเพจของคารวะจะต้องทํามาหากินเป็นธรรมดาจะหลับหูบหลับตา เดินจงกลมภาวานาะสะดวกสบายอย่างนักบวชนั้นมันเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปในได้แต่นั้นเราทั้งหลายถือเป็นนักบวชได้เข้ามาสู่ร่มเงาของพระพุทธศาสนานับว่าเป็นผู้ที่มีโชคลาภอันดีต่างหน้าต่างตาจินติเกเรนาเผื่อชำระีิเวทปัญหาของใจคนเรา จะเป็นฆราวาสก็ตามเป็นนักบวชก็ตามเกิดมาก็มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเหมือนกันใจของคนนั้นถ้าหากไม่ทราบตามเป็นจริงในนี้อับอาจมีธรรมในจิตในใจเมื่อจริงเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมหวั่นไหวเดือดร้อนผัดข้องอุ่นวายเป็นธรรมดาเพราะเขาไม่เห็น จริงเหล่านั้นตามเป็นจริงในจิตในใจของเขานักบวชเราจรึงควรที่นิพพานนะในเรื่องเหล่านั้นให้ถึงจิตถึงใจวควรเกิดมาจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นฆราวาสบรรพชิตมันในจิด ก, กันในการแฉกการเกรริบ ก, การตายมันเหมือนกันหมดแต่ตายนั้นมันตายจิต ก, กันคือตายดีตายชั่ว ตายได้ตายเสียมันขีดกันตรงนั้นเรามาบวชทิ่นิพิเจเนาอาจทมศึกษาธรรมะปฏิบัติกายวายใจาใจเพื่อให้รู้แจ้งแจ้งตลอดในสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเราจะต้องเป็นคนหนักแน่ต่างหน้าต่างตาที่นิพิเจเนาจริงจังหลาการตายของคนนั้น ถ้าหากเรามีอัตมีธรรมมีสมาธิในจิตในใจเราจะพิจารณาแจกไขด้วยปัญญาของเราได้ตายตายนั้นเป็นเรื่องสมมติอันหนึ่งซึ่งมันมีมาแจ่ไหนแอะไรสมมติอันนี้ความตายนี้มันไม่มีอะไรตายถ้าหากจะพิจารณาตามธรรมะ แ ย, ยบคายลงไปกายอันนี้ประกอบขึ้นโดยธาตุทั้งสี่ขวดถึงธาตุใหญ่ๆคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วสิ่งเหล่านี้มันตั้งขึ้นมันก็แปรปวนและแตกสลายของมันไปตามหน้าที่ของมันไม่ได้ตายไปที่ไหนจิตใจ ว่าตายนั้นมันก็ไม่ตายอีกถ้ายังมีเชื้อคือยังมีกิเลสตัณหาอยู่ในจิตในใจคนนั้นไม่ปราถนาอยากเกิดอีกมันก็เกิดอีกวันยังคำจะปฏิเสธเท่าไรมันก็ไม่เป็นไปตามคำปฏิเสธของเขาเพราะใจของเรายังมีเชื้อที่จะให้ก่อเกิดอีกยังมีกรรมที่เราทำเอาไว้ใจมันยังเจ็บยังรับยชั่วอยู่ นี่คือจิตที่ปฏิบัติยังไม่ถึงจีดขั้นที่จะพ้นไปจากโลกมันเป็นอย่างนั้นจากนั้นผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดในวัดต๋ารสงสารมันจึงมีมากแล่วผู้ที่มีสติปัญญามีความรู้ภายในเรื่อมใสในการทำดีถึงเข้าไปเกิดอีก ก็ผิดแปลกแตกต่างกันกับคนที่ไม่สนใจในเหยื่อใหญ่ในตัวเองตายไปเกิดเป็นอะไรก็ไปเธอเป็นสัตว์สัตตัวผู้มันก็มี ส, สต่ตัวเมียมันก็มีไปนรบผู้หญิงมันก็ตกผู้ชายมันก็ไปจะไปร้อนใจอะไรนี่คือความคิดของคนมืดบอดคนมัวเมาในเด็คิดว่าทุกโทษในสถานที่ไปเกิดนั้น มันจะให้ทุกข์ให้โทษแจกตนขนาดไหนลองที่เจณาดูอย่างนี้ก็พอเช่นปลาก็ดีกบอื่นก็ดีเขาไปต้มไปแจงในหม้อทั้งโจวผู้ตัวเมียมันเผิดอเพลินได้ไหมพอถูกนำร้อนเข้าต่างตัวกลต่างยืน่นร้นกลัวตายกันแต่มันก็นี้ไม่พน้นต้องตายเหนี่ยความทุกข์ถ้ามันทุกข์เบือดร้อนจริงจังแล้ว มันใน ม, มีอะไรที่จะทําให้เพลิดเพลินได้ที่เราเพลิดเพลิน อ, อยู่เดียวนี้ก็เพราะความทุกข์ยังไม่เดือดร้อนถึงจิตนั้นถ้าเดือดร้อนถึงจิตนั้นมันใน ม, มีอะไรที่จะสุขจะสบายให้การไปเกิดผิดแก้ไขไม่ได้อย่างไหนใดเกิดชาติใดก็จนตายแหละเพืจะหาสถานที่เกิดอีกได้ ไม่ว่าเกิดเป็นสัตว์ไม่ว่าเกิดเป็นมนุษย์รูปร่างกายของเรานี้เกิดมาเพราะกรรมที่เราทํามากรรมดีกรรมชั่วจะแมกแจ ก, กสัตว์ให้เลวแล้วปรานีต่างกันเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วถึงวิทยาศาสตร์จะก้าวหน้าขนาดไหนจะมาทําอะไรของกายไม่ว่าของหญิงของชายเปลี่ยนใหม่ นั้นมันไหม่สวยไหม่งามแข่งมันขามันไหม่งามเอาขาใหม่มาสวมเขา่าแขนมันไหม่งามหน้าตามันไหม่งามเปลี่ยนเอาใหม่เหมือนเปลี่ยนอะไรอะสิ่งอื่นนั้นมันเปลี่ยนไม่ได้ถึงเปลี่ยนได้ก็ไม่คงทนอีกเหมือนกันเพราะสิ่งทั่วไปในโลกอันนี้นั้นมันเป็นอ น, นิจจ์คือไม่คงที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปรปวนไปอยู่ตามสภาพของมัน เป็นเช่นนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ที่มาที่ที่จริญนาชำระใจข้องตัวเพื่อแก้ไขถ้าหากพบชาติยังมีอยู่เราจะหลุดพ้นเมื่อใดเราจะสะสมคุณงามความดีเอาไว้เพื่อตายไปจะไม่ผิดหวังในพบชาติทางหน้าเขากดแสวงหาจะทำคุณงามความดีเอาไว้ตั้งใจทำแต่สิ่งที่ดี สึงที่ดีนั้นก็โดนบันดาลให้จิตของเราได้เกิดได้ในสถานที่ดีสถานที่ชอบถึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่เขาก็มีความสุขความสบายผิดแปบกบแตบกบต่างกันกับมนุษย์ที่ไม่มีอำนาจวาสนาเกิดมา าตาของเขากสวยสดงดงามสติปัญญาของเขาก็รู้สึกว่าเฉียบแหลมตลอดถึงร่างกายก็ไม่โรยภัยเบียดเบียนแต่รับความลำบากลำคางแต่คิดจะอ่านจะทำการงานอะไรก็สะดวกสบายมีผู้สนับสนุนมีผู้นับถือมีผู้เลื่อมใสพูดออกไปหรือทำอะไรเขา้าเขาก็ไม่เบื่อหน่าย เพราะเขาเป็นคนมีอำนาจมีวาสนาซึ่งทุกคนปรารถนาอยากได้ในจิตในใจของตัวถ้าหากยังอยู่ในโลกแต่ก็ไม่เป็นไปตามคำปรารถนาของตัวเพราะกรรมชั่วที่สร้างเอาไว้มันบันดาลให้กายให้ใจไปเกิดในสถานที่ไม่เหมาะสมให้และสติปัญญาของตัวเล่าจะปรับปรุงแก้ไขเสือความ ดุบความดีต่อไปมันก็มีน้อยแต่นั้นการสะสมคุณงามความดีการทำความดีถึงเราจะไม่ถึงที่สุดยิมุินิพพานพระพุทธเจ้าสอนให้พากันก่อป่วยกับทาบำเพ็ญสร้างเรื่อยไปทำเลือ่อยไฟอย่างพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาสัตรู้เป็นพระพุทธเจ้าก่อนนับกลั บ, น, บนับกันไม่ได้ แต่ท่านสร้างผลงามความดีเรื่อยมาบางสร้างบางเวลาทําช่วเไปตกทวกตกยากตามตำหนับตํานานที่ท่านเขียนเอาไว้คนดูในเรื่องของพระพุทธเจ้าในประวัติของพระพุทธเจ้าหรือในตาดกต่างๆจะทราบไหมท่านสร้างการทำมาแบบไหนอย่างไรนั่นก็คือการสอนกายสอนใจ เพื่อให้เป็นไปในทางดีทางดีสิ่งทีชั่วที่ท่านบอกเอาไว้ก็สอนพวกเราให้เกรงกลัวอย่าไปกล้าไปคิดทําพูดในสิ่งที่ชั่วอย่างนั้นพอทําแล้วกรรมชั่วจะต้องติดตัวเรื่อยไปเหมือนเงากําดีที่เราไม่อยากก่อสร้างแต่ทบําเพียนเมื่อเราไปเห็นไปอ่าน แต่ทีนี้ที่แกนะวะ่ากรรมดีมีคุณค่าทำลงไปแล้วถึงจะลำบากอยากเย็นในเวลาทำก่าต า, ามแต่ผลที่ได้รับนับว่าสมดุลกันคือให้ความสุขความเจริญแ ก, ก่ผู้กระทำบำเพ็ญเมื่อเราเข้าใจชัดเจนเห็ น, นประจักษ์อย่างนั้นกรรมชั่วที่เราไม่ต้องการไม่ต่องมีคนมาบังคับบัญชา ว่าให้ละให้ถอนถ้ า, หาเห็นในจิตในใจมันก็ละก็ถอนเองมันไม่อยากทําเพราะทําลงไปแล้วมันเป็นทุกข์เป็นโทษแก่ตัวของตัวกรรดีถึงมีผู้อ่อนวอนเยาะร้องให้ทํามันก็ทําทเพราะเห็นว่ามันเกิดผลเกิดประโยชน์แก่าการทํำของตัวนี่คนที่เ ย, ยนว่ายตายเกิด ขาดพื้นเวียนได้ายเสื่เป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นไปตามกรรมของตัวจิตธรรมเอาไว้ทันจึงว่ามีกรรมเป็นของของตอนมีกรรมเป็นป่วยผลมีกรรมเป็นแดนเกิดกรรมมันสามารถที่บังคับจิตใจของคนให้ไปเกิดในสถานที่ต่างๆได้อย่างสบายของมันถึงเราไม่อยากไปมันก็บังคับบัญชา ให้ไปใครเล่าที่เขาทําชั่วในปัจจุบันอยากจะไปจิดคุกจิตตารางมาคุกตารางนั้นกินข้าวหลวงสะดวกสบายไม่ได้เศร้าที่อยู่ที่อาศัยก็ดีไม่มีใคร ท, ทั้งทั้งทีมันทําชั่วแต่มันก็ไม่อยากไปจิตตารางจิตห้องขังไม่อยากจะให้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวของมันแต่มันก็หนีไม่ไหว เพราะกรรมชั่วจีมันสร้างเอาไว้ในวันใดกวันหนึ่งจะได้รับทุกโทษถ้าทำหนักเข้าบางซีก็ถึงกับประหารชีวิตให้ตายไปทาเบากว่านั้นเขาจับได้กอไปขังเอาไว้ติดคุกตามกฎหมายในประเทศ น, นั้นเขาบัญญัติเอาไว้นีม่มันเป็นอย่างนี้เหลื่อกรรมชั่วคนทุกคน ชื่นชมว่นานรกก็ไม่มีใครอยากจะไปตกไปเกี่ยวข้องทำชั่วขนาดไหนก็ไม่อยากไปแต่มันก่อไปได้เพราะกรรมชั่วของตัวบรรดาลให้ไปเกิดไปตกฉะนั้นเรื่องสวรรค์ น, นรกเรื่องดีชั่วมันอยู่กับตัวของมนุษย์ทุกคนสวรรค์นในอกนรกอยู่ในใจ นิพพานอยู่ที่ไหนก็อยู่ในใจเหมือนกันให้เราตรวจจาร์ที่เจนาภายในนักปฏิบัติจะต้องดูกายดูใจของตัวสำหรับตำราทางนอกก็เป็นเส่องบ่งบอกให้เรารู้เราเข้าใจแต่คําสอนของพระพุทธเจ้าทำของพระพุทธเจ้าเป็นโอปะณะยิโกคือให้น้อมเข้ามาภายในดูกายดูใจของตัวใจที่ชั่วที่เป็นนรก เดือดร้อนวุ่นวายไม่สะดวกสบายให้ถึงจะมีเขาขวงเงินทองมากม า, กายกายกองมีถี่น้องหอมร้อมอยู่กว่าดตามใจมันกลัวเดือดร้อนใจมันก็วอกวุ่นวายโกรธโลภหลงมีฝั่งมีฝาหาความสงบความเย็นไม่มีในจิตมีแต่จิตแปรุงอยากใหญ่อยากโตอยา ก, ยา ก, ยากเด่นอยากดังอยากฆ่าอยากแย่งคนนั้นคนนี้ อยากรักอยากขโมยอยากกนอยากขี้เส้นไปต่างๆนั่นนะฮะอัตหาธรรมในจิตในใจของเขาไม่ได้ใจแบบนั้นใจนรกถึงคนอื่นเขาสุขเขาสบายเขาสงบเยือกเยน็นแต่เราก็เดือดร้อนวุ่นวายด้ยวยความเจืความชิดในจิตในใจของตัวไม่รู้จักรักษาไม่รู้จักละถอนมีแต่สะสม ความชั่วความเสียต่างๆนันน่ะให้มาเผาจิบเผาใจของตัวหนี้เือใจนรกใจชั่วตัวเองก็เดือดร้อนคนอื่นที่เกี่ยวข้องก็เศร้าหมอ ง, อ ง, มองหรือเดือดร้อนไปตามแต่นั้นท่านทีให้ตรวจ ด, ดูภายในใจสิชั่วสิเสียใจสิเป็นนรกเป็ดผีสุดร่างกายของไม่ดีให้กำจัดมันออกไปคิดไป ทำไปและพูดไปไม่เกิดสาระประโยชน์ให้นอกจากเขาจะดูหมิ่นมินทาคิดไปในใจร้อนเผาตัวเองพูดไปทางปากก็เน่าหมินไม่มีใครเขาอยากจะฟังทำไปทางกายก็ไปกันใหญ่เพราะความชั่วความเสียของใจบ่งออกมาเลยพูดจาก็เป็น สิ่งที่ไม่เหมาะสมให้ทําไปก็อนไม่เป็นเรื่องที่ดีที่เด่นนี่คือความชั่วเยี่ยว่านรกคนผิดตกนรกในปัจจุบันต่อไปทางหน้ามันก็ตกเพราะใจไม่มีสุขใจไม่มีความสบายใจวุ่นวายใจเดือดร้อนใจเศร้าหมองแต่นั้น เราต้องรักษาต้องพิจารณาดูใจของเราใจเป็นเรื่องดัดแปลงได้ตบแปง่งได้ไม่ใช่แต่เหลือวิสัยทุกคนมีโลภมีโกรธมีหลงมาเหมือนกันไม่ใช่ว่าหมดกิเลสแล้วพระพุทธเจ้าก็ยังมีราคะตัณหามีโลภนีหลงท่านจึงเนมาเกิดอีกถ้าหากอย่านี้ส่วนนั้นท่านจะเป็นบำเพ็ญบารมีเพื่อแก้ไขอะไร เนี่ยมีโรคยามันก็ไม่มีเรื่องจําเป็นสําหรับคนนั้นคนที่ไม่มีกิเลสทํามันก็มีเรื่องจําเป็นจะจําเป็นอะไรกิเลสในใจเลยนี่ท้ามีกิเลสท้าจึงออกไปปฏิบัติถ้าจึงบําเพ็ญเผื่อละกิเลสตัดสรู้ก็คือตัดสรู้แก้ไขจิตใจ ขี่คล่องจิตคิดฟุงขี่สงสัยขี่วุ่นวายไม่เข้าใจตามเป็นจริงนั่นเองไม่ใช่ตัตรูอันอื่นขี่พระพุดธเจ้าจากตัตรุเมื่อเราปรับปรุงี่นิพิจารณาดูภายในคือนาธรรมะเป็นโอปะนัิโกน้อมเข้ามาตรวจตาดูใจของตัวสิ่งที่ชั่วที่เสียต่างๆพยายามละ ถอนออกไปหักห้ามจิตใจไม่ให้คิดมาจ่าไม่ให้พูดกายไม่ให้ทําเมื่อเราหักห้ามไหวได้เราตรวจตาที่เจนาะวันนี้เดือนนี้ปีนี้เราได้ทําชั่วทําเสียอะไรเราก็ทราบดีป่ะเราไม่ได้ทําชั่วทําเสียซึ่งจะเป็นโทษเป็นทุกข์จิตใจของเราก็ไม่ได้เกาะ ไ ป, ไปคิดไปคิดไปตุงว่าเราทำชั่วทำเสียอย่างนั้นอย่างนี้พอที่จะเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายถึงเขาจะดมูมินมินทาว่าเราชั่วเราเสียอย่างไรนั่นเป็นเรื่องของเขาแต่เราตรวจดูตัวของเราแล้วไม่มีอะไรผิ่จะเสียหายไปตามลมปากของเขาเราทราบเราอยู่สุขเราเ ย, ยกเย็นเพราะเราไม่เดื พูดไม่ได้ทำไม่ได้คิดสิ่งที่สิ ด, ด, ด, ดอย่างเขาว่าใจมันก็สุขมันก็สงบมันก็สบายมันก็เป็นสวรรค์เป็นสุขคติอยู่ในสถานที่ใดตัวของตัวก่อตั้งตัวห ม, ม่ได้เพราะกายว า, าใจใจทำผุดคิดอะไรเป็นไปในทางอัดทางทำไม่ได้เบียดเบียนตัวและคนอื่นทราบ่อใจใจมีหิริอด ต, ตะัะ อาบาปกลัวบาปสิ่งได้ที่มันชั่วภาษาไทยเราเรียกว่าชั่วแต่ภาษาปาลีภาษาพระภาษาวัดว่าบาปบาปนั้นไม่มีใครต้องการปรารถนาไม่ว่าคนภายนอกหรือคนภายในหมายถึงฆราวาสหรือบรรพชิต ไ, ไม่มีใครต้องการปรารถนาแต่เธอว่าบาปนั้น จะเกิดขึ้นได้ก็ไม่ใช่คนอื่นหามาให้เกิดขึ้นจากกายจากใจของเราถ้าเราตรวจตาที่ใจนาในกายในวาจาในใจของเราก่อนว่าอันนี้พูดทำไปจะเป็นดีหรือชั่วอย่างไรจะให้สุขหรือให้ทุกข์ให้คุณหรือให้โทษถ้าเห็นว่า เป็นไปในทางทุกทางโทษทางเสียทางหายแล้วก็หักห้ามกายวาจาไม่ให้ทำให้พูดต้องสวจตาที่จรนาอย่างนั้นมันจึงจะสะอาดเรื่องกายของเราวาจาของเราใจของเราชำระสะสางได้ถ้าหากเหลือวิสัยก็ไม่มีใครจิตจะเป็นพระพุทธเจ้าหรืออรหัต์อรหรันถ้าตั้งหน้าที่น้พิเจรนาดูแลรักษา กายวาจาใจของตัวอยู่บ่อยๆขัดเกลาอยู่เรื่อยปัดกวาดอยู่เรื่อยมันจะสะอาดเหมือนลานวัดหรือศาลาสติวิหารบ้านสองของเราอาศัยการปัดกวาดอาศัยการเช็ดถูดูแลไม่อย่างนั้นมันก็สกรปรกถํามันสกรปรกนัง่งก็ไม่สบายนอนก็ไม่สบายไม่น่าอยู่ไม่น่าอาศัยใจของเรากว่าทนองนั้น ถ้าเราตัวตาที่เจริญนาด้วยสติปัญญาชำระชั่วอยู่เรื่อยๆจิตใจของเราจะผ่องใสจะสว่างไสวจะสงบสุขแต่นั้นวัดที่อยู่ของผูกกับพฤติปฏิบัติธรรมดาวัดสิ่งเสียววัดเมืองไทยเราทราบดีว่าเป็นที่ทําบุญสุนทานเป็นที่อยู่ที่อาศัย ของผู้มีศีลมีธรรมเป็นที่ต้องการของผู้มุ่งบุญมุ่งกุศลจะเข้าไปสงบสติอารมณ์ของตัวเพราะในวัดนั้นไม่มีสิ่งอื่นที่จะรบกวนกายใจเป็นที่เงียบที่สงบ ให้อันตรายไม่ค่อยมีเหมือนที่อื่นๆแต่นั้นเราผู้มาบวชในศาสนามนึ่งน้ะที่จะประพฤติปฏิบัติจะต้องพิจรารณาดูกายวาจาใจของตัวและวรีบเร่งจะทาบำเพ็ญให้เห็นให้รู้ทมที่พระพุทธเจา้าทรงสอนเอาไว้ศีลสมาธิปัญญา เป็นตจศีกขาคือเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องศึกษาไม่ต้องศึกษาจากตำรับตำลา ก, ก็ได้เพราะศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยกายวาจามันอยู่ที่ไหนถ้ามันอยู่กับเราเราก็รักษาตัวของเราเท่านั้นก็ได้ชื่อว่ารักษาศีลศึกษาศีลถ้ารักษาให้หยึดให้ดีขนัดใดก็อ น, นิสง จะเกิดขึ้นขนาดนั้นคือจิตใจของเราท่านในมีการตำหนิตัวเองว่าเด็ดทำศีลของตัวให้ชั่วให้เสียให้ขาดให้ยินให้ด่างให้พร้อยอย่างหนึ่งอย่างใดเพราะเรารักษาเสมอชีวิตหรือยิ่งกว่าชีวิตของเราถ้าเราทําได้อย่างนั้นก็เป็นอธิยีนคือศีลยิ่งศีลจริงมันมีตัวเดียวมันไม่มีมาก ตัวของเราเท่านั้นนั่นมันชื่อของศีลที่บัญญัติออกไปศีลห้าก็ดีศีลแปดก็ดีศีลสิบก็ดีสองร้อยี่สิบเจ็ดก็ ด, กดีมันออกไปจากตัวของเราเท่านั้นถ้าเรารักษาตัวของเราแล้วไม่ต้องไปนับไปคํานึงถึงส่วนเหล่านั้นตัวของเราไม่ทําชั่วไม่พูดชั่วมันก็เป็นศีลบริบูรณ์อยู่แล้ว จึงรักษาง่ายเพราะมันได้ไปหามาจากที่อื่นไน่ได้ดูแลที่อื่นดูแลที่ตัวของตัวก็ได้เชื่อว่ารักษาศีลสมาธิความหนักแน่นของใจความสงบของใจจะ ต, ต้องอาศัยศีลเป็นพื้นฐานศีลที่รักษากายวาจานี้เป็นศีลที่ยากถ้าเราทําไปพูดไปสังคม ของมนุษย์เขาดูหมิ่นมินพาค่ะเราไม่รักษาเราละเมิดศีลคนทั่วไปเขาตำหนิเขาดูเขาเห็นเดือหนานี่คือศีลทำกายทำวาจาแห่งงามเป็นศีลของโลกที่จะอยู่รวมมือรวมคณะให้สุขให้สงบแต่ศีลสมาช ที่จะเกิดสมาธิคือศีลภายในต้องรวม ด, ด้วยสติรักษาด้วยปัญญาที่นี้คือเจนะกายใจของตัวการคิดชั่วเป็นตัวสำคัญที่ทำใจของพวกเราท่นานม่ให้สงบดัะนั้นการคิดชั่วถ้าเราคิด ไปในทางจิตไม่ได้พูดทางตะทางวาจาทางไม่ได้ทําทางกายมันก็เป็นอกุศลยิตกไม่ได้คิดจากศีลแต่มันคิดจากสมาธิคิดจากธรรมที่ละเอียดตรงไปท่านจทีให้ดูแลรักษาตรวจตาพิจารณาเรื่องจิตของตัวมันคิดชั่วคิดเสียที่ไหนจะต้องแก้ไขปรับปรุงไม่อย่างนั้นสมาธิจะไม่เกิดขึ้นให้คือความความลงรวมของใจจะไม่เกิดขึ้นให้เมื่อใจไม่ลงรวม ไม่ตั้งมั่นไม่เห็นอัจสัยจันในการปฏริบัติความเชื่อความเลื่อมใสที่เรามีเป็นพื้นฐานอยู่บ้างแล้วมันก็ค่อยหมดไปหายไปเพราะไม่มีอะไรที่จะประทับใจอีกถ้ามันเห็นมันเป็นโดยการกต่ทำบาเพ็ญมันจะเชื่อจะเลื่อมใสยินดีเต็มใจที่จะปฏิบัติเพราะเราทาไป จิตใจที่รวมลงปล่อยวางสัญญาอารมณ์ต่างๆมันเบามันสบายมันสว่างสวัยมันไม่มีอะไรในโลกที่จะมีคุณค่าสาระสูงเท่ากับเราเห็นเราเป็นอยู่นี้เราสหับดีเคยผ่านมาความสุขหรยหลาภยศสันไลเสริญทางโลกเคยไปสบพบมาทุกสิ่งทุกประการแต่ เมื่อมาประสบความสงบของใจความลงรวมของใจมันสุขมันสบายมันประเสริฐวิเศษขนาดไหนมันกดเชียบกันได้คนที่ไม่เห็นไม่เป็นอย่างนี้จึงหลงไหลฝ่ายฝันจึงงมกันในเรื่องของโลกถ้าเขาเห็นเขาเป็นอย่างนี้เชื่อมั่นว่าทุกคนจะไม่หลงไหลฝ่ฝันเพราะความสุขที่แท้จริงมันอยู่ในตัวของเรานี้ ไม่ได้มีอยู่สถานที่อื่นเราเห็นเราเป็นไปจากชัดเจนในตัวนี่คือความลงรวมของใจความเป็นสมาธิหนักแน่นมั่นคงอยากจะประพฤติยากจะปฏิบัติเพื่อให้จิตใจมันละมันถอนมันเห็นเด่นชัดอยู่ทุกระยะทุกเวลานี่สมาธิเมื่อจิตใจมันลงรวมได้ตั้งมั่นได้เข้าใจ เห็นชัดในความสงบสงัดของจิตถอดถอนขึ้นมาจะาพิจารณาอะไรนั่นแหละท่านว่าเป็นวิปัสสนาคือเป็นปัญญาจริงสิ่งที่เราเคยของจิตเราเคยสงสัยพิจารณาไปมันจะแค่ไขมันจะตัดขาดเหมือนกับมีดดาบที่เรารับคมๆตัดอะไรมันก็ขาดมีดป้นไม่เคยลับสัดทีฟัน ส่วนป่วยมันก็ไม่เข้าทั้งริ่ของนั้นนี่แข็งอะไรนี่ปัญหาของใจก็ททำนองนั้นที่เราสง ส, ส, งสงสัยสิ่งนั้นสงสัยสิ่งนี้ที่เจน้นาเท่าไรมันก็ไม่ตกไม่ลนไม่หลุดไม่ขาดให้ก็เพราะใจเราไม่มีสมาธิปัญญามันนี่แหลมคมให้ไม่สามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวเองให้เห็น ให้รู้ตามเป็นจริงได้แต่นั้นเรื่องปัญญาจะเป็นปัญญาทางวิปัสนาละถอนทิเลตจะต้องอาศัยสมาธิเป็นเรื่องสาคัญเรื่องสมาธิก็คือความหนักแน่นของใจใจมันมีอยู่ที่ไหนปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารสังขารคืออะไรคือความฟุ้งแต่งเรื่องฟุ้งแต่งไพนออกก็าตามฟุ้งแต่ง ทางจิตทางใจก็ตามท่านรอบคอบท่านเข้าใจเรียกว่าปัญญาแล้วมันมีอยู่ที่ไหนพียงเหล่านี้มันมีอยู่ที่ตัวของเราทางนั้นไม่ใจ่หรือเมื่อมันมีอยู่ที่ตัวพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ควรกระทำเพราะเครื่องมือของเราครบพอแล้วจะต้องตั้งหน้าตั้งตาจระทําตั้งหน้าตั้งตารักษาตั้งหน้าตั้งตาฟาดฟันบั่นทอนที่เหลือ กิเลสมีมากเท่าไรก็ให้ทุกทางใจเท่านั้นหมดไปเท่าไรก็ทำจิตทำใจให้สงบเย็นเท่านั้นเหมือนกันกับโรคภัยที่เบียดเบียนกายโรคมากเท่าไรตายก็เป็นทุกข์ลำบากเท่านั้นโรคหายไปเท่าไรตายก็มีสุขมีกำลังขึ้นเท่านั้นฉะนั้นเราจรึงควรรักษาควรพิจารณาควรแนะสอนตัว หน้าจี่ของเราไม่มีจิตการงานอื่นนอกจากมาฝึกมาปฏิบัติงานอื่นก็ละเว้นไม่เห็นเราไปทำไปเกี่ยวข้องเราเป็นนักบวชเราจะต้องสอนตัวและต่างหน้าต่างตาทีนี้จิตใจนาะสำาระจิตใจของตัวอยู่ตลอดการตลอดเวลา เล้ยงเสียแต่ลับสนิทเท่านั้นตื่นมาก็จะต้องดูแลรักษาที่เจนานสหรับจิตใจของตัวกายมันรักษาง่ายวาจามันรักษาง่ายแต่ใจนี้รักษายากหากไม่มีสติไม่มีปัญญาแต่ก็ไม่เลือวิสัยสําหรับผู้ตั้งใจจะประพปฏิบัติถ้าเลื้อวิสัยพระพุทธเจ้าก็ไม่บรรัญญัติทำลี้นายเอาไว้ สมัยพุทธการทำไมโสดาเศรษาคานาค า, าระหันกันเยอะแยะทำไมไปจุบัานไม่ค่อยจะได้ยินวี่แววทางนี้เนี่ยแต่พระนักบวชดด้วยกันจะมาศึกษาอัดทมภายในเพื่อปฏิบัติเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้อยอานี้รู้สึกว่าหายาไปสถานที่ใดก็ไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันเรื่องเหล่านี้เป็นเครื่องบ่งบอก แต่ความเอาใจใส่ใจะปฏิบัติแก้ไขเพื่อมรักผลนั้นมีจํานวนน้อยส่วนความคิดปรงุงเรื่องนอกมีมากคนทํางานอะไรก็มาคุยไปในงานนั้นคนที่ประเพื่อปฏิบัติตอัดทามควรจะต้องพูดคุยกันเรื่องอัดทามผอค้าเขาก็พูดคุยกันเรื่องการค้าขายการราชการเขาก็พูดถึงจิตบัณฑการเมืองของเขาชาวนาเขาก็พูดไปตาม เรื่องรายเรื่องนาของเขาเพราะใจมันคิดมันปร <a breathe> ุงอยู่ในเรื่องอันใดเขาจะเอาอันนั้นแหละมาพูดมาคุยให้เราฟังคนที่สนใจในอาจในธรรมกว่าทํานองนั้นแต่ก่อนเก่าพระเจ้าพระสงฆ์ท่องเกี่ยววิเรกคือดงกันพอเจอกันเข้าเป็นอย่างไรจิตใจจะต้องถามกันแล้วก็เล่าสู่กันฟังต่อไปที่นั้นได้รับความอัศจรรย์อย่างนั้นเพื่อปฏิบัติสะดวกสบายอย่างนี้ พูดกันคุยกันถามกันถึงการกระทำบำเพ็ญสมณะธรร ม, ม, ารรมการรู้การเห็นเรื่องอาเรื่องธรรมแต่สมัยนี้ในอย่างนั้นบวชเป็นอย่างไรกติเป็นอย่างไรสลากา ร, รเรียนเป็นอย่างไรใหญ่จีเมตรสูงจีเมตรบางจีว่าจีศอกถามกันไปนอ่นองเรื่องจีพระพุทธเจ้าไม่สอน มันในไปแบบนั้นเมื่อมันเป็นไปแบบนั้นการที่จะละจะถอนการที่จะรู้จะเห็นสัจธรรมชัดเจนภายในมันไม่มีมันมีวี่แววมนมีช่องทางที่จะประพฤติปฏิบัตินี่จะแสวงหาเรื่องนอก บ, บวชลกศาสนาหยียบย่ําทําลายธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ว่าเขาหรือเรามาอยากเป็นไปแบบนั้นผููที่ต่างหน้า ต, ต่างต รักษาประพฤติปฏิบัติจริงจังรู้สึกหายาเกเขาทุกวันทุกเวลาดังนั้นเราคนหนึง่งคว่จะดํารงไว้สิ่งพระพุทธศาสนาเราจะต้องสร้างตาต่างตาประพฤติปฏิบัติเขาจะชั่วจะเสียเป็นเรื่องของเขาเราไม่รักษาศาสนาไม่มีใครในโลกให้คิดอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ชั่วที่เสียเราจะต้องพยายามกําจัดพยายามละถอน สิ่งใดที่เป็นอัดเป็นทำเราจะบังคับกายบังคับใจของเราให้ทำสิ่งนั้นเมื่อทุกท่านตรวจตาที่เจรณาบังคับบัญชาตัวของตัวอย่างนั้นความสุขความสบายความเจริญก่าวหน้าของศาสนาในต้องเรียกร้องให้คนอื่นเข้ามาสรรเสริญชมเชยว่าตัวดีตัวเด่นแต่มันก็เป็นก็เห็นก็รู้อยู่ในตัวของตัว พอธรรมะเป็นสันทิฏฐิโก้คือเห็นเองจากการละการบาเพ็ญของตัวชั่วเสียเราได้ละไปอย่างไรเราเข้าใจในตัวของเราแต่นั้นจริงไม่มีอะไรสงสัยไม่มีอะไรที่จะเกิดปัญหาถ้าหากเราละเราถอนเราก็ททาบาเพ็ญให้ดีเด่นเป็นจริงตามคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราเองจะเป็นผู้รักษาศาสนา ไม่ใช่คนอื่นจะรักษาธรรมะเป็นอาการลิโกคือไม่มีการมีสมัยทาพุทธเจ้าปริบนิพ้านไปจิตใจของผู้ปฏิบัติเอาจริงเอาจังยังเห็นดีเด่นชัดเจนอยู่อย่างนี้เมื่อเรามีความดีในตัวของตัวมีความสุขในตัวของตัวละถอนชั่วเสียต่างๆออกไปได้คนอื่นที่เขาเดือดร้อนวุ่นวายเพราะจะได้มาเกาะมาอาศัยเพราะ คนดีมีกําลังเท่านั้นจะช่วยเหลือคนชั่วคนทุกข์ได้คนทุกข์ ด, กด้วยการช่วยกันไม่ได้คนป่วยดลือกันก็ช่วยกันไม่ได้คนไม่มีอะไรจะแจกปันกันมันก็แจกปันกันไม่ได้ต้องคนมีแจกปันคนจนคนมีกําลังช่วยเหลือคนติ่มหมดกําลังมันเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านหรือสาวกท่าน กต่วพุทปฏิบัติมาอย่างนั้นเราทุกวันนี้ก็พากันปรับปรุปรงกายใจของตัวให้ดีแต่ทําบําเพ็ญเหตุเป็นตัวอย่างเสื่อบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อไปไม่อย่างนั้นเราบวชก็จะมีความหมายอะไรการมาวัดมาว่าแทนที่จะมาสงบ ก, กายวายใจาใจของตัวก็เลยมาอบรมความชั่วมาฟักตัวของกิเลสพอออก จากวัดจากวาไปก็ไม่ทราบอะไรต่ออะไรมันจะโผล่ขึ้นระเบิดขึ้นแต่นั้นคนที่ไม่บวชเขาก็ไม่เหลื่อมใสนี่ยินดีเต็มใจเพราะผู้บวชมาแล้วออกไปก็มีแต่คนชั่วคนเสียเท่านั้นใครเล่าอยากจะรวมตัวเข้าไปเพราะสถานที่ชั่วที่เสียอย่างนั้นไม่มีใครปรารถนาแต่นั้นเราทุกท่านที่เป็นนักบวชก็จงนาไปที่นิพพาณาธรรมระ กิเลสัณหากายว า, ายใจใจข้องตัวสิจั่วสิเสียบำรุงรักษาศีลสมาธิปัญญาให้เกิดมีจนเกิดวีมุตเมื่อทุกท่านต่างหน้าต่างตาปฏิบัติดังนั้นคว า, ามสุขคว า, ามเจริญในทางศาสนาในกายว า, ายใจใจข้องตัวก็จะโผล่ขึ้นการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรกี่เวลาพระยุติเพียงแคนี้